นั่งอยู่นี่ถ้าหากผู้ใดมีปกติล่างกายเด้เคลื่อนไหว ป, ปั๊บแป๊บจิตใจมันคิดปั๊บแป๊บเห็นนั่นผู้นั้นเป็นผู้มีปกติเดี๋ยวเป็นผู้มีศินจึงจัดการกับดดกิเลสอย่างหยาบได้สมาธิแป่าะตั้งใจตั้งใจฟงงใจังตั้งใจเบื้องตัวเฮาพี่เด้บุญเรศสมาธิไปนั่งหลับตานั่งมุ้งให้เงียบกระโจนักนัน่นนั้นสมาธิแบบหนึ่งอันนั้น สมาธิปแปลว่าตั้งใจมั่นทําการทํางานพูดคิดนั่งอยู่นี่ตั้งใจเบื้องใจเฮาพี่ตั้งใจเบื้องการเคลื่อนไหวของพี่บอกไปเบื้องผู้อื่นมูเ่เฮ็นอย่างเห็นทันทีนี่อยูว่าให้มันคือตาไกป่ปานี่อย่างโบราณคันคือไก่ตาตูมไก่ตาโลดโอยมันก็รสต่าบอด้ปฏิบัติธรรมะบอกเอาหน้าเลิกละข่มตัวทั้งหมดเปลี่ยนแปลงทั้งหมดปีนี้เป็นอย่างไร พอดีหู้จักอันนี้แล้วผมก็เลยรู้จักสินสินโบม่นสินห้าสิ้นแปดผมหู้จักกันผมเกิดสูตรขึ้นมาสิ้นขันสมาธิขันปัญญาขันเลยขันคือที่ผมโบหูจักแต่ก่อนมุมมหาเนี่ยไงขันคือที่ขันคือรองรับขันคือต่อสู้ผมเข้าใจอย่างนั้นขันดีตักน้าได้กินขันแตกตักน้ำโบได้กินขันดีตักเข้าไปแให้บ้านให้เจ้าหัวไอจวก วัหน้าอยากกินมะขันโต๊ะหกเนี่จากน้ำกับวันได้กินขันแตกบัดนี้เฮาขันห้าเฮาเนี่ยสินขันทำไม่ได้ขันเรียกว่าขันสามขันสองที่ว่าอยูไหนกัว่าแล้วเรื่องบนขันห้าโบตรงแล้วมาจีปฏิบัติธรรมอมิิก้าวน้าได้ยังไงมันต้องตรงเนี่คน่ะมันต้องเข้มแข็งจังว่าเอากันเข้มแข็งจีเนี่ยมู่เฮาอยู่เนี่ยถ้าหากว่าฝัง และปฏิบัติอย่างที่ผมว่าหลักพุทธศาสนาเนี่ยมาทำกลมสว่างให้เกโลกโลกยี่บดเดื่อนหล่นโบดสับสนบดวุ่นวายโบดเดือดร้อนอันนี้เขามีที่อยากไปประกาศทุดงบนท่านทุดโดยเนี่ยทุดดงหมายถึงอันใดได้นุ่งผ้าขาวบอกได้นุ่งผ้าเหลืองไปเป็นสิบเป็นสาวเป็นร้อยเป็นพันไปแล้วระบุหัวจักละขมส่วนมันจีไม่ไปทุดดงทุดดงไปว่าขัดเกา พนวากันขัดเก่าควมซัวควมซัวมีอยู่ที่ใดในจิตในใจเขานี่เอาออกบนี้เอาออกนอกมันเห็นมันบวยเฮ็ดพนเอิญกิเลสอันนั้นนะมันบวดีเขาเอาตัวสติตัวปัญญาตัวสมาธิทีมาไว้กับเนื้อกับตัวการพูดการจา ก, การทำการคิดเอาก็ะดะอ่ อ, อนนอมทอมตนลงมา เอาท่อยตัวลงไปบ่แม่นปฏิบัติเอัสนะคนอื่นเนี่ยปฏิบัติธรรมะนี่เพิ่นวานี่อัสนะคนอื่นมัน้อยครั้งพันครั้งหมื่นคั้งแสนครั้งบ่มีประโยชน์เฉพอสนะตนทีเดียวจิการพูดร้อยคำพันคำหมื่นคำแสนคำล้านคำก็ตามสู้การกระทำข่มรู้สึกครั้งเดียวบ่ได้เนี่ยเพิ่นว่าจังไส่แล้วเขาเฮ็ิญยังไดงใครทีมาให้เขารู้ รู้ตวัวเฮาอ่ะที่ให้เฮารู้ได้บ่เทวดาให้เฮารู้ได้บ่ก็โตเฮาแต่ว่ารู้ตวัวเฮามันเป็นยังไงเมื่อแย่สมถะกรรมฐานเมื่อมีสิ่งขันสมาธิขันปัญญาขันเรียบร้อยดีแล้วก่อนเลยรู้วิปัสสนาด้วนด้วนบ่นเดียวบ่เดี้วิปัสสนาด้วนด้วนนั้นมีญาณปัญญาปิสูตหนึ่งครับจิตใจตั้งมั่นเพราะมีสิ่ขันห้ามีศิลง นี่ว่ารูปขันมีสินเวทนาขันมีสินสัญญาขันมีสินสังขารขันมีสินวิญญาณขันมีสินที่ว่าเจ้าใดก็ได้มันเป็นเรื่องสมมุติเป็นเป็นสูตรอันหนึง่งเอามาขยายตัวออกมานี่คือคือนี่นะครับมันมวนาหลายเลยตัวจริงมันน้อยๆครับก็เลยรูอ่ะทําบาปด้วยกายเนี่ยเอากายไปฆ่าตัดหลักทรัพย์ไปทุจริตตายแล้วไปตกนรกขุมไดกันสิถ้าหานรกมีอ่ะ หรือว่าคำพูดนี่นพูดผิดคิดผิดบันนี่นี่พระสุภวีไนเขาพูดผิดออกมาแล้วบันเนี่ยตายไปแล้วไปจบนรกขุมไดคันนรกมีนานจากปีจากเดือ น, น, เ, อนเนี่ยเข้าใจหังอเปลบันนี้เรื่องมูนี่มันสร้างมาจากใจบันเนี่ยใจคิดผิด คิดทุกจะดตคิดผูตรงกับคำพูดคำสอนของพระพุทธเจ้าตายไปแล้วไปตกนรกจากปีจากเดือนถ้ามันมีจริงถ้ามันพูจริงไปใสมันหูจักแต่มันเห็นครับนี่วิปัสสนาจึงว่ารูแจ้งรูจริงวันนี้ทำบาปด้วยกายกระทาวาจากระทาใจกระทาพร้อมกันเลยบนอยู่ถ้าหากนรกมีจริงตายไปแล้วไปตกนรกคุมใด นานจากปีจากเดือนผมเข้าใจอัจาัยเพราะว่าผมโบมูหเนี่ค่ะอันนี้แหละเป็นสูตรที่เราควรศึกษาและปฏิบัติให้รู้ถ้าหากเราบุรูอยังทีเราเต็มทีเป็นภาคที่ริ้วทีเดียวเป็นภาคเสร็จเทาบวชมา น, นี่เขาจะประโยชน์ของขอน้อยที่สุดอันนี้ส่งการบวชในพนวาต้องศึกษาถ้าหากศึกษาหลัก โทษนักทำท่านสือท่านโพลเพืนบอว่าเพื่อนอนิี้ส่งการข้าพันศาสําหรับทัพนิ่งขวรปีนี้ต้องรู้ธรรมะอันนี้จึงเป็นอันิี้ส่งการข้าพัรศาถ้าหากโบลูอันนี้ก็แสดงว่าอันนี้ส่งการข้าพัรษาเขาบ่มีแล้วเป็นบัดนี้ในทางตรงกันข้ามมทําบุญด้วยกายปากเบาถ้าหากสวรรค์มีนิพพานมีจริงตายไปแล้วไปเกิดยุสวรรค์นานจากมือจากวันจากปีจากเดือน เขาใจสำคัญบัด น, นี้ปากดีวาดีวาเตคขมสัตว์ข่มจริงนี่แหละให้คนฟังตายไปแล้วไปเกิดสวรรค์สันฟ้านิพานมุนจากปีจากเดือนถ้ามีจริงนะถ้าบ่มีจริงไปใส่เนี่ยมันหูจักงนริอบัด น, นี้ใจกด็ดีคิดดีคิดแต่ดีไงเด้ไเบ๊ทำเตะดี ตายไปแล้วตัเติดสวรรค์สันดาลนานจากปีจากเดือนหูจักอย่างสีเห็นอย่างสีครับอันนี้เป็นสูตรสูตรหนึ่งของบุคคลผู้ที่รู้จริงชิมว่ารู้แจ้งเห็นจริงตามควมเป็นจริงชิมว่ารู้ตามเห็นตา ม, ตามเป็นสาวกพุท ธ, ธะเนี่ยเข้าใจไหครับวันนี้ตายกระทําดีพูดกับพูดดีใจกระคิดได้ดีสามอันนี้พร้อมกันเลยเป็น หากสวรรค์ น, นี้ผ่านมีเป็นอย่างไรไปเกิดอยใสของจีไปเซอร์ไวอ้อยู่จากปีจากเดือนมันหู้จักตรงสิพอดีหู้จักอันนี้คล้ายๆคือฟิวไฟฟ้านี่ครับว่าแม่มันมันสว่างอยู่กับเหมือนว่าดับคณะมันดับกับเหมือนขอเขาไปปิดให้มันสว่างนึงบีบปั๊บหนึง่งขาดมัดโตๆทีครับเขาวอกมีบาทเขาแต่ก่อนเหมือนออกฝักบาทครับวันนี้เลือดมันกลับคืนครัำมัดทุกหยุดทีเดียว บบกออกอาปากบาทหดตัวเขาไมดมันเป็นเนื่งสันครับนี่เป็นอยู่ัประมาณจากห้านาทีผมเป็นเดินจมกมผมว่าผมพ้นดินก็จากเม็ดหนึ่งละสองเม็ดพุ่นครับปาดโทคนเนี่ยคำสอนน้อยๆไหม่บบมปันนีนอนเพียงแต่ทำกามรู้สึกตัวนี่อั น, นิสงส์มันมากปันนีเนอกเนือจากนี้ไปบบมีแล้ว ก็เลยรู้จักังจืดมัดเนื้อมาดตัวคือสำเรียงแห้งๆนี่ครั บ, รบเป็นเข้าพ่อมันคือดักแด้นี่ครับทุกคนต้องเป็นอั่งนี้ยกเว้นโบได้จวนจะตายนี่แหละครับแน่นอนที่สุดแต่ว่าคนบม่รู้จักอันนี้ก็ไปทางผิดได้ครับบอรนี้อันนี้น <ะ S 1> ผมว่า <นะ S 1> เมื่อกับนักมวยครับนักมวยนี่ข่าเจ้าขึ้นเวทีแล้วโดดจัดลงอ อาเจวะสนามมวยมนุษย์ง่นก็ได้สบายคนบูรุ้จักวิธีโดดหล่อหัวลงก้อนคอหักตายซ้ำนี่นั่นเป็นสก็เลยรู้จักโอ้นี่คำสอนของพระเจ้าทั้งหมดเลยแปด0มืนสี่พันระธรรมขันธ์นั้นบรรจุลงที่ตรงนี้ถ้าหากเราเรียนรัดมาสู้สู้สำเร็จอันนี้แล้วแสดงว่าเขาได้เดินตามรอยของพระเจ้า ผมเข้าใจอย่างต่างผมจึงบบเสื้อไผทั้งมดัดเสื้อว่าของจริงมันมีในคนทุกคนนกเว้นโบได้เรื่องนี้ผู้ยิงก็ต้องไปนี้ผู้สายก็ต้องไปนี้พระเนงก็ต้องไปนี้ถือศาสนาใดล้วที่ใดก็ต้องไปนี้เพราะทุกคนมันต้องตายเมื่อหนาเนี่ทุกคนต้องตายความตายมีจริงไหมหรือไม่มีเราโบเห็นเราโบรู้เราเห็นแต่คนตายเน่าเข้าหลงนั่นแล้ อันตัวตายจริงๆนะเขาบเหิทธมีผลว่าตายเสียก่อนตายยังไม่มีลมหายใจเสมอเมื่อถึงที่สุดแล้วยานยอมมีผนวันเพื่อนตัดไว้หนังสืออันธรรมวิจารเป็นหลักสูตรนักธรรมสันเกครับผู้ที่จเจริญสติประทานสี่อย่างถูกต้องว่าสันให้ติดต่อกันเหมือนลูกโซว่าสันยังนานเจ็ดปีย่างกลางเจ็ดเดือน อย่างเร็วที่สุดนับตั้งแต่หนึ่งวันถึงเจ็ดวันอานิสงไม่ต้องพูดเลยคุณผู้ชมนวางนเป็นพระอรหรันต์คุณถ้าหากวิตจากการเป็นพระอรหรันต์จะต้องเป็นพระอนาคามีอยู่คัณแม่นบูมหาวัสมนแน่นอนที่สุดวัสมน์เป็นวางแล้วเฮาให้มาเนี่จากกี่ปีกี่เดือนมาแล้วให้ฐานรักษาสิมานี่จากกี่ปีกี่เดือนเนมันบ่มีญาณมาบอกเขาที่ อันนี้แหละเป็นสูตรสูตรหนึ่งของบุคคลผู้ที่รู้บทแม่เขาจะไปเรียนเดือนนัดอันนี้ครับสําคัญให้รู้สึกตัวนี่แหะปีนี้มันต้องเอากันอย่างสิ้นเดยครับผมคิดวางโรงครงการไว้แล้วปีนี้มันต้องทำตัดทับหนขวดผู้ใดหักพอใจอยู่ทิ่ฝึกเนื้อฝึกตัวก็ น, นี่หมุนเตรียมเนื้อเตรียมตัวผมจิตพยายามเข้ากุศลทุกองที่เดียว สิ่งของพยายามเก็บให้มันน้อยที่สุดเพราะจิตปฏิบัติธรรมฟื้นฟูจิตใจจริงๆถ้าหากผูฟฟ้ใดบ่พอใจอยู่เออบังคับนี่เกินไปก็มีมุนไปได้ครับบ่าหาบ้ามบนเม่นผมสิสักส่วนมียั่งครับผมบอกมาแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้บอกมาเต้นเนินๆเลยมันยะงพอเนี่บอมาเต็นเนินๆปีนี้มันต้องเอาจริงเอาจังปีที่แล้วเนี่ยคผมบ่สบายล่ะปีนี้ก็บ่สบายเสีว่าครับว่า ผมจะพยายามทำเพราะว่าเวลามันลัดกุ่มเวลามันน้อยมันหมึดไปถ้าห้าเขาบวตั้งใจสอนกันแล้วสูตรสูตรนี้เมื่อกี้สูตรหายไปมาขาดบ้านขาดตอนไปสูตรสูตรนี้ผมว่ามาเนี่ยเว้าตามที่ผมได้ประสบเหตุการณ์อันนี้มาจึงว่าเป็นคําสอนของพระพรุทธเจ้ากับวัดได้เป็นคําสอนของผู้ลูกกับวัดได รู้อย่างไม่รู้อันนึ่งรู้ย่างผู้รู้อันหนึ่งรู้อย่างไม่รู้น่ะคือรู้จิตใจมันบูรู้จิตใจมันบนรับรองอันนั้นรู้อย่างไม่รู้รู้อย่างผู้รู้รู้แล้วจิตใจมันแน่นแน่นลงไปเลยประเดียวถึงเป็นตายก็ต้องเอาชีวิตเข้ารับรองมนุษย์นี่เป็นว่ารู้อย่างผู้รู้ในประกาศความจริงต่อคนทุกคนได้ไม่ผิดเลย เพราะว่าทุกคนมันเป็นนท่านเดชเขานั่งอยู่นี่จีมีนั่งน่สบายอยู่ซื่อๆนี่แต่บางคนหนักสบายซื่ อ, อบูฮู้จกักว่าจิตใจเจ้าของคิดอย่างร่างกายเจ้าของนี่ลูกอันนี้เคลื่อนไหวโดยบุ้ยแต่กับบุลูอั น, น้อันนั้นกับลูยังไม่รู้อันสบายซื่ออันลูอย่างผู้ลูเนี่ยนั่งอยู่นี่ก็รู้มันเคลื่อนไหวลูลด์นี่คนว่าลูอย่างผู้ลูจิตใจมันคิดลูนี่ลูอย่างผู้ลู รู้เท่ารู้ทันรู้จักกันรู้จักแก้คนว่ารู้จะเอาชนะตัวได้คนว่าถ้ารู้เอาชนะตัวว่ได้ก็ตัวก็รู้อย่างผู้ไม่รู้อยู่แล้วคนนี้คุณรู้จะมีสองรู้รู้อย่างไม่รู้อันหนึ่งรู้อย่างผู้รู้อันหนึ่งจําให้มันดีถ้าหากว่าเขาปฏิบัติอย่างที่ทุกองค์แล้วจํานวนติดผู้รูปอยู่เนี่ยแล้วก็ไม่ออกเพราะออกก็หลายคน ถ้าหากหขกฟื้นตัวส่ได้แล้วได้ปีละคนผมก็พอใจแล้วออกมาช่วยกันทํางานด้านนี้เดี๋ยวนี้มันมีแต่ปริมาณคุณภาพมีน้อยเที่ยว่าช่วยกันถ้าหากพวกเดีอยู่นี่ถ้าบบอยู่นี่กับโบป็นั้งอยู่นี่ต้องช่วยจริง ๆ, ๆ, ๆปีนี้ผมจะออกสอบอารมณ์ถ้าหากบบจําเป็นนะครับมือหนึ่งสองเถอตอนเ้า ขับตอนเย็นผมเคยทํามาแล้วตัแต่เมื่อเป็นโยมมู่โย ม, มอยู่นี้นี่เคยทํากับผมคนรุ่นค่อนขอนุน่ น, น, น, นสมัยที่แรกผมมาสอนผมเป็นโยมอืมสอนหมู่เจ้าหกวพอเท่าเรื่องหมู่ไม่เท่าเรื่องหลายคนแนะอย่างโบาตายอยู่นี่ยอะกว่าอย่างนีพรเรื่องกับพระนอมกับไม่จีสีนั้นตายไปหมดแล้วที่นั่นําอันนี้เด็กน้อยผมเคยสอนมาแล้วครับ อายุในเกินเ้าปีถึงจุดสามปีเนี่ยแอ่เด็กน้อยเขาบ่มีอารมณ์มากรู้งา่ายบ่เกินเดือนหอนึ่งมหาบุตรทองจากเดือนก่อนอย่างหูจักนี่ยนกคุณอ่ะมันมีอารมณ์ันนี้มันเหียนมันเรียนไปไปติดอารมณ์มันไปติดควมหูมันสูดเหี้ยนมาคุณมันเป็นยังไงมูมหาบุตทองนี่แหละเป็นเป็นรุ่นแรกล่ะมูเนีย มาส่วยกันฟื้นอันนี้เนี่ยมันเป็นอย่างไนก็เลยมีจังหวะมีท่าทีขึ้นมาเข้ามาเฮ็ดไสอันจังหวะเพื่อปลุกคนผู้ที่บ่มีขมรูบ่มีปัญญาให้มันตื่นตัวให้มันปลุกตัวอันที่จังหวะพลิกมือขึ้นข้อมือลงเนี่ยอันสตรที่ผมว่านี่อันนี้มันมีสติขึ้นมาแล้วมันเกิดปัญญาเกิดการเห็นแจ้งจื่อ วิปัฒนาจะบากรู้แจ้งรู้จริงรู้แล้วต่างเก่าหลวงภาวะดูตั้างเก่าแต่แท้บุคคลรู้นี่แต่ก่อนจิตใจก็อ่อนน้อมทอมตนขึ้นมาลงอยากให้คนฮู้นาอยากให้คนฮู้แล้วไ ป, ไปพ่อย ไ, ไปดาไปเตะไปตีขาเจ้าก่บโบเมดอีกตืมลา น, นมันเพิษอ่ะ น, นะมันประกอบด้วยโทสะโมหะโลภะอ่ะ น, นะมันบประกอบด้วยสติสมาธิปัญญามันเป็นมิตรสาธิตทิ ยังผิด ท, ท, ที่จึงแปลข่มเห็นเห็นผิดปฏิบัติมันกับผิดเห็นทุกปฏิบัติมันกับทุกเพิ่ง อ, อย่างว่าไว้พระพุทธเจ้าว่าชัดทั้งหลายคือเราตถาคตเนี่ยคือกัรกับพระพุทธเจ้าชัดทั้งหลายเหมือนเราตถาคตเนี่เหมือนกันกนกบพระพุทธเจ้าชัดทั้งหลายเป็นตถาคตเนี่เป็นสาวกพุทธะบโบ ม, ม่นเป็นพระพุทธเจ้าคนบอกต่างๆแล้วเหาบวชเหตุต่างชัด ทั้งหลายบันเนตัวสุดท้ายเลยพนวดเราผู้เป็นตถาคตไปถึงแลวแห่งนั้นแล้วจึงนํามาสอนพวกเธอทั้งหลายให้พวกเธอทั้งหลายจงประพฤติปฏิบัติตามอย่างเราตถาคตนี้ก็จะรู้จะเห็นจะเป็นจะมีอย่างเราตถาคตนี้แน่คํานี้เป็นคําสําคัญที่สุดเรารู้เราเห็นเราเป็นเรามีคือพระพุทธเจ้าแล้วหรื้อหยัง่ง พันโบลูโบเห็นโบเป็นโบมีคือพระพุทธเจ้าก็เป็นภาคีลิขท่านั้นแลว้วเป็นการลอกลวงสนบล์หลอกลวงผู้อื่นบ่พอลอกลวงตัวเองนี่เป็นผมหัวใจเราย ก, กมือไหว้ตัวเองนะตั้งแต่มื้อนั้นมายิ่งว่าไหว้ตัวเองก็มีจังหวะครับไหว้ตัวเองในแท่ไหว้ผู้อื่นหนึ่งก็ให้แต่ลูกกาไถโนะใจใจใเราเห็นใจเราไหว้ตัวเราคิดเลยยิ่งว่าทำดีพูดดีคิดดีจะเห็นพรกันเยอะ พระพุทาธพระธรรพระสงฆ์มีแล้วในคนทุกคนบรยกเวนครับอที่มาเตือนมื้อนี้กัให้ว่ามื้อนี้เป็นมื้อเข้าพัรศาครับเป็นวันศุกร์ใน่เมโมะใน29มื้อนี้เป็นมื้อเข้าพรนศาเวลาเย็นทำวัดเย็นระข้าพันศากันผมกับจเข้าพรรศาตอนเที่ยงพอเวลตินาตโมเพราะผมจิบหลงกรุงเทพไปซีกยาครับ ขอเนี่ยก็ขขึ้นมาเนี่บวมตัวเนี่ยต้องรักษาตัวไปจากน้อยครับเพราะว่าที่ยาหลวาจะเรียบมาหาเมือมาพยายามควบคุมกันจริงๆทุกองค์ได้บุมีพระเก้าบูมิพระใหม่อยู่นี่ครับคมก็เป็นพระใหม่ม เ, ม, เมื่เพิ่งก็เป็นพระใหม่เขาช่วยกันสร้างเพาะทับมือขวดนี่รองบึงให้เป็นสถานที่ปฏิบัติ ธ, ธรรมะให้มันมั่นคงรองบึง คันท่าห้างเขาโบเห็ดแล้วกับบมั่นคงแล้วเป็นกันเอง ว, วมมั่นคงค่วมถาวรค่วมแข่งแต้งอยู่ที่เขาทําเองอย่าไปหละอเละการนุ่งเสื้อนุ่งผ้าเปลี่ยนการคลปการสันเปลี่ยนนิสัยดีต้องเปลี่ยนการไปบินทบาทคือกันต้องเปลี่ยนเปลี่ยนยังใดเปลี่ยนเอาคุณดีกรมงามไปให้ญาติโยมเห็น อย่าเอาคมชั่วไปฆ่าเจ้าห็นเลิกการซื้อหนังสือพิมพ์มาอ่านตั้งแต่มือ น, นี้เป็นต้นไปถ้าหาหกพจีโดนอ่านนังสือพิมพ์มีมวลไปโลดบมดตรงอยู่นี่เพราะหนังสือพิมพ์มันเป็นหนังสือเรื่องโลกเอาแต่ทำมาล้วนๆเข้าไปสีเดียร์ปีนี้พระเนนทุกองค์ครับบอกไว้ยี่นี้ได้ยินบหครับได้ยินก็เลิกถ้าหากพจีโดนเอาเสนอเอานี้มวลไปโหลดครับ มันอกี้มาทำลายดูนี้เคื่อโลกอันนั้นมันบูดี<ม>คนบูดีอยู่ใส่กระเดือดหลอดเป็นอันตรนะัดที่ผมว่านี่บรมเอนเว้า์คนาาบรมเอนเวา้าหยกยองดีทุกคนของเพศนี้เขาเลิกได้เหตุได้เป็นอะไรเอแหละที่ผมได้ให้ข้อคิดถึงเครื่องสืง่อกิจสติใจมาตอนเตาวันนี้ก็สิดว่าสมควมเกินเวลาเลยท้าที่สุดนี่ผม และพวกผ้สงทุกคนขออ้างอีเอาคุณของพระพุทธเจ้าและพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและคุณของพระลานตาสาวกพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเตือนจิตและจิตใจของพวกเรา